219วิสาขาวัตถุว่าด้วยนางวิสาขากราบทูลขอพรเรื่องฝนตกพร้อมกันสทวีป349บครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นกรุงพาราณสีตามพระอัธยาศัยแล้วสเสด็จจาริกไปทางกรุงสาวัตถีสเสด็จจาริกไปโดยลำดับ จนถึงกรุงสาวัตถีแล้วทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบินดิกะเศรษฐีในกรุงสาวัตถีนั้นครั้งนั้นนางวิสาขามิกคารมาตาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาค ส่งชี้แจงให้นางวิสาขามิคารมาตาเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีระถาลำดับนั้นนางวิสาขามิคารมาตาผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัด ชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้ร่าเริงอาหารแกล้ า, ล, าลำดับนั้นนางวิสาขามิคารมาตาผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล้ า, ลาปลอบฉลมใจให้สดชื่น ร่าเริงด้วยธรรมีคาถาแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตตาหารของหม่อมฉันเพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ ครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมาตาทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาตพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไปครั้นผ่านราตรีนั้นเมฆฝนใหญ่ตั้งเขาขึ้นในทวีปทั้งสี่ ตกลงมาอย่างหนักครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายฝนต ก, กในเชตวันฉันใดตกในทวีปทั้งสี่ก็ฉันนั้นพวกเธอจงสงสนานกายด้วยน้ำฝนเถิดนี้เป็นเมฆฝนใหญ่ครั้งสุดท้ายที่ตั้งเขาขึ้นตก ในทวีปทั้งสี่ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วพากันเอาจีวรวางไว้สงสนานกายด้วยน้ำฝนลำดับนั้นนางวิสาขามิคารมาตาสั่งให้คนเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประนีตแล้วสั่งสาวใช้ว่า ไปเถิดแม่สาวใช้เธอไปสู่อารามแล้วบอกพัฏตการว่าถึงเวลาแล้วท่านเจ้าข้าพัตตาหารเสร็จแล้วนางทาสีรับคำแล้วไปสู่อารามเห็นพวกภิกษุเอาจีวรวางไว้สงสนานกายด้วยน้ำฝนอยู่คิดว่า ไม่มีภิกษุอยู่ในอารามมีแต่พวกอาชีวกกำลังสนานกายด้วยน้ำฝนจึงกลับไปหานางวิสาขามิคาวรมาตาได้กล่าวดังนี้ว่าแม่เจ้าไม่มีภิกษุอยู่ในอารามมีแต่พวกอาชีวกกำลังสนานกายด้วยน้ำฝนครั้งนั้น นางวิสาขามิคารมาตาผู้เป็นบัณฑิตฉเฉลียวฉลาดมีปัญญาได้มีความคิดดังนี้ว่าพวกพระคุณเจ้าคงเอาจีวรวางไว้สงสนานกายด้วยน้ำฝนเป็นแน่นางทาสีคนนี้เป็นคนเขาจึงเข้าใจว่าไม่มีภิกษุอยู่ในอารามมีแต่พวกอาชีวก กำลังสนานกายด้วยน้ำฝนจึงสั่งสาวใช้ว่าไปเถิดแม่สาวใช้เธอไปที่อารามแล้วบอกเวลาว่าถึงเวลาแล้วท่านเจ้าข้าพัฒตรารเสร็จแล้วสมัยนั้นภิกษุเหล่านั้นชำระร่างกายจนหนาวแล้วนุ่งผ้าเรียบร้อย ต่างถือจีวรเข้าไปสู่ที่อยู่ตามเดิมนางทาสีนั้นไปสู่อารามไม่พบพวกภิกษุเข้าใจว่าไม่มีภิกษุในอารามอารามว่างเปล่าจึงกลับไปหานางวิสาขามิคารมาตาได้กล่าวดังนี้ว่าแม่เจ้าไม่มีภิกษุในอารามอารามว่างเปล่า ลำดับนั้นนางวิสาขามิกคารมาตาผู้เป็นบัณฑิตฉเฉลียวฉลาดมีปัญญาได้มีความคิดดังนี้ว่าพวกพระกุณเจ้าคงจะชำระร่างกายจนหนาวแล้วนุ่งผ้าเรียบร้อยต่างถือจีวรเข้าไปสู่ที่อยู่ตามเดิมนางทาสีคนนี้เป็นคนเขาจึงเข้าใจว่า ไม่มีภิกษุในอารามอารามว่างเปล่าจึงสั่งสาวใช้อีกว่าไปเถิดแม่สาวใช้เธอไปที่อารามแล้วบอกพัฒการว่าถึงเวลาแล้วท่านเจ้าข้าพัฒตรารเสร็จแล้ว350าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าพวกเธอจงเตรียมบาตรและจีวรถึงเวลาพัฒตาหารแล้วภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคครองอันตรวาสรงถือบาตรและจีวร สเสด็จหายไปในพระเชตวันมาปรากฏที่ซุ้มประตูบ้านนางวิสาขามิคารมาตาเปรียบเหมือนคนมีกําลังเหยียดแขนที่คูหรือคูแขนที่เหยียดประทับนั่งบนพระพุทธาาจที่เขาปูไว้พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมาตา รื่นเริงบันเทิงใจว่าหน้าอัศจรรย์จริงผู้เจริญทั้งหลายไม่เคยปรากฏผู้เจริญทั้งหลายพระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากทรงมีานุภาพมากเมื่อห่วงน้ำไหลนองไปแค่เข่าบ้างเมื่อห่วงน้ำไหลนองไปแค่สเอลบ้าง เท้าหรือจีวรของภิกษุสักรูปเดียวก็ไม่เปียกน้ำเลยจึงได้ประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยของเคี้ยวของฉันอันประนีตด้วยมือตนเองกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วทรงละพระหัตจักบาทนั่งเฝ้าอยู่หน้าที่สมควรกราบทูลว่า หม่อมฉันกราบทูลขอพรแปดประการพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าตถาคตทั้งหลายเลิกให้พรเสียแล้ววิสาขานางวิสาขากราบทูลว่าหม่อมฉันทูลขอพรที่เหมาะสมและไม่มีโทษพระพุทธเจ้าค่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าจงพูดมาเถิดวิสาขา